คนคลืมีคนอาภัพยอยู่พวกหนึ่งไม่ถึงกับเป็นคนชั่วช้าสาระเลวแต่เป็นคนที่คนด้วยกันเยาะเยะ้ยเขาเรียกว่าคนครึ้เป็นที่รู้กันว่าใครลงได้เป็นคนครึ้แล้วแย่ yeah. ทางอื่นไม่แย่แต่แย่ทางสังคมจะไปขอรักกับใครเขาก็ไม่อยากรักด้วยจะไปขอเล่นกับใครเขาก็ไม่อยากเล่นด้วย จะได้อีกทีก็ต้องคลึ้อตอคลึ้ด้วยกันยังพอมีหวังนอกนั้นแล้วลำบากอย่าว่าแต่จะไปรักไปเล่นหัวกับเขาเลยเพียงแต่จะคุยกับเขาเขาก็ไม่อยากคุยด้วยจะนั่งรถไปกับเขาเขาก็ไม่อยากให้นั่งด้วยชั้นที่สุดแม้แต่จะยิ้มกับเขาเขาก็ไม่อยากยิ้มตอบซึ่งแม้ว่าเขาจะยิ้มก็ไม่ทำให้เขาเสียอัดเสียสตางอะไร ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าเรามันคลื้ครั้นต่างคนต่างไม่ชอบคลื้อข้าพเจ้าก็เลยต้องเขียนเรื่องคลืคล้อมาเสนอท่านผู้อ่านลองดูเพราะปัญหาเรื่องความคลืมีคนคิดกันต่างๆคือคิดโทษกันนุ่งนังว่าสิ่งโน้นสิ่งนี้มาทำให้คนคลื้ทั้งความคิดคลึกๆทั้งความคิดไม่คลึ้ปนเปกันไปหมดแต่เรื่องอื่น จะไม่พูดจะพูดแง่เดียวที่ว่าธรรมะได้ทําให้คนคลื้จริงหรือไม่ที่จะพูดก็ไม่ต้องเขียนใหม่ยกเอาความบางตอนจากคําบรรยายพุทธศาสตร์ของข้าพเจ้ามาเสนอท่านผู้อ่านทีเดียวมีข้อแคลงใจของบางคนอีกอย่างหนึ่งคือคิดว่าธรรมะทําให้ผู้ปฏิบัติกลายเป็นคนคลื้เป็นคนเสียหรืออย่างน้อยก็ลดสง่าราศี ความก็เก๋ของตนลงไปคิดอย่างนี้แล้วเลยไม่อยากเข้าใกล้ธรรมะข้อนี้เท็จจริงประการใดน่าจะคิดกันด้วยเหตุผลดีกว่าจะใช้ทิฏฐิมานะเป็นเครื่องค้อขอดกันซึ่งความจริงคนที่ไม่เข้าใกล้ธรรมะเพราะกลัวธรรมะทําให้ตัวเสียนั้นนับว่าเป็นความคิดห่วงใยที่น่าเห็นใจเป็นเรื่องของความรักตัวสงวนตัวนั่นเอง ถ้าให้ข้าพเจ้าตัดสินข้าพเจ้าก็คิดว่าคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับธรรมะเพราะกลัวธรรมะทำให้ตัวเสียนั้นยังดีกว่าคนที่ทำตีสนิทกับธรรมะแล้วชุดเอาธรรมะลงมาลบหลู่เหยียบย่ำให้เสียหายไปกับตนเป็นไหนๆเสียแต่ตัวแล้วยังไม่พอกระชากเอาธรรมะมาเสียด้วยคนอะไรที่ว่าธรรมะทำให้เสียนั้นประเด็นสาคัญก็เห็นว่า ธรรมะทำให้ผู้ปฏิบัติเป็นคนครึตามที่เข้าใจกันที่ว่าคนคลื้คนครึก็คือคนล้าสมัยไม่ทันสมัยน่าจะซักฟอกดูว่าธรรมะทำอะไรของคนให้ล้าสมัยพูดถึงเรื่องสมัยเสียก่อนคำว่าสมัยก็คือการเวลานั่นเองที่ว่าล้าสมัยก็คือไม่ทันเวลาเวลาล่วงเลยไปมากแล้วใครไม่หมุนไปตามเวลาถือว่าคนนั้นล้าสมัย ทีนี้ขอให้นึกถึงข้อเท็จจริงว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจิตใ จ, จของเรามีอยู่สองประเภทคือกาลิกะสิ่งที่ติดกับเวลาขออากาลิกะสิ่งที่ไม่ติดกับเวลากาลิกะสิ่งที่ติดกับเวลาได้แก่วัตถุ ข, ของโลกทั้งสิน้นเช่นโต๊ะเก้าอี้เตียงตู้บ้านต้นไม้ และทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งร่างกายของเราด้วยสิ่งใดเป็นวัตถุธาตุของโลกสิ่งนั้นก็ติดอยู่กับเวลาพูดกันย่อๆว่ากาลิกะทีนี้ยังมีอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอาการลิกะคือไม่ติดกับเวลาเป็นตัวของตัวเองอยู่อย่างนั้นได้แก่หลักธรรมะต่างๆเป็นความดีที่คงตัวเช่นความกตันยูกระตะเวที ความเพียรความซื่อตรงความอดทนและอื่นๆที่เป็นหลักธรรมะสิ่งทั้งสองคือกาลิกะกับอาการลิกะนี้มีความเป็นไปต่างกันสิ่งที่เป็นกาลิกะขึ้นอยู่กับเวลาคือติดกับเวลาเมื่อการเวลาผ่านเลยไปสิ่งนั้นก็แปรผันไปตามเวลาด้วยไม่ต้องอื่นไกลดูตัวเรานี้ย้อนหลังไปเมื่อหลายปีก่อนนอน ผิวพันธุ์เนื้อหนังเราก็ไม่เหมือนกับเดี๋ยวนี้ต่อไปภายหน้าอีก10ปี20ปีก็จะเปลี่ยนไปอีกกัางนี้เพราะมันเป็นกาลิกะคือติดอยู่กับเวลาส่วนหลักธรรมะทั้งหลายไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาเพราะไม่ได้ติดกับเวลาเช่นความกตันยูกร ะ, ะเวทีเมื่อหลายพันปีก่อนคนก็ว่าดีมาเดี๋ยวนี้คนทั้งหลายก็ยังยอมรับว่า กะตันยูกะตะเวทีดีและยังคาดการได้อีกด้วยว่ากี่ร้อยกี่พันปีข้างหน้านานคนก็จะคงนิยมกตันยูกะตะเวทีอยู่เหมือนกันข้อนี้ชี้ให้เห็นว่าธรรมะไม่เป็นของเสื่อมความนิยมเตุนั้นธรรมะจึงไม่ใช่ของล้าสมัยข้าพเจ้าใคร่ย้ำอีกว่าคาว่าสมัยแปลว่าเวลาสมัยการ เวลายุคคำพวกนี้มีความหมายเหมือนกันของที่จะทันสมัยหรือล้าสมัยมีแต่สิ่งที่เป็นกาลิกะคือติดกับการเวลาเท่านั้นส่วนสิ่งที่เป็นอากาลิกะไม่ติดกับเวลาย่อมไม่รู้จักทันสมัยหรือล้าสมัยเมื่อธรรมะเป็นของล้าสมัยไม่เป็นเหตุใดคนปฏิบัติธรรมจึงจะเป็นคนล้าสมัยโปรดคิดดูด้วยใจเป็นธรรม ไม่ต้องอื่นไกลเราคิดดูแค่สีลห้าก็ได้สีล5้านั้นเป็นคำสอนทางศาสนาซึ่งรวมเรียกว่าข้อปฏิบัติของผู้ประพฤติ ธ, ธรรมในสีลทั้ง5าข้อนั้นข้อไหนที่ทำให้เราล้าสมัยการเว้นจากการฆ่าการเป็นการล้าสมัยหรือทันสมัยแน่นอนการฆ่ากันของคนที่มีน้ำใจเหี้ยมโหดเป็นวิสัยของชาวป่า แต่ครั้นคนเรายังอยู่ตามป่าเออะก็ฆ่าฟันกันเป็นการชนะกันด้วยกำลังสมัยนี้สมัยใหม่ผู้คนเจริญแล้วต้องชนะกันด้วยเหตุผลด้วยสติปัญญาฉะนั้นการฆ่ากันจึงเป็นการล้าสมัยการโกหกพกลมบางคนเข้าใจว่าคนที่โกหกปลิ้นปล้อนร้อยเหลี่ยมพันคมเป็นคนทันสมัยความจริงไม่ใช่ การโกหกกันนั่นแหละล้าสมัยสมัยนี้ผู้เจริญแล้วย่อมกลา้าเผชิญต่อความจริงนักวิทยาศาสตร์ถึงกับคิดค้นหาเครื่องจับโกหกซึ่งปัจจุบันนี้ทางราชการตำรวจก็ใช้ในทางสอบสวนผู้ต้องหาเพื่อกำจัดเรื่องล้าสมัยให้หมดไปทะลกนิยมว่าการโกหกเป็นการทันสมัยแล้วก็ไม่หาทางป้องกันคนโกหก กฎหมายก็ไม่ควรเอาโทษคนแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานและศาลก็ควรลดหย่อนผ่อนโทษให้ถ้าจำเลยสามารถโกหกศาลแต่นี่หาเป็นชิ้นหนึ่นไม่ประชาชนผู้เจริญแล้วกลับหาทางกำจัดการโกหกอยู่ทั่วไปเรื่องดื่มเหล้าก็เหมือนกันมีคนว่าว่าคนไม่กินเหล้าเป็นคนคลึไม่ทันสมัย ทั้งๆ ท, ที่เหล่านั้นเป็นสิ่งที่มีในโลกตั้งแต่ก่อนพุทธกาลเป็นไหนไหๆเป็นของที่ล่วงเลยไปกับสมัยนับเป็นเวลาพันพันปีแล้วพูดง่ายๆคือล้าสมัยแล้วคนดื่มเล่าก็คือดื่มสิ่งที่ล้าสมัยไปนานแล้วแล้วเหตุใดจึงยกย่องว่าเป็นคนทันสมัยมองไม่เห็นจริงๆดูเป็นที่ว่าตัวชอบสิ่งใดก็อุปโลกเอาว่าสิ่งนั้นทันสมัยอื่นๆอีกก็มี บางคนว่าพวกปฏิบัติธรรมะมัวแต่สำรวมวาจาพูดไม่ค่อยทันเขาสู่คนที่ปากเปราะคำก็หาสองคำก็เฮี้ยไม่ได้ที่ว่าอย่างนี้ที่พูดอย่างนี้ก็พูดแบบเข้าข้างตัวเหมือนกันความจริงคำด่ากันต่างๆเรียกหามากินเรียกผีมาลงและเอาสัตว์ป่ามาเปรียบเปรยกันเหล่านี้เป็นพฤติกรรมของชาวป่าทั้งสิ้น สมัยดึกดับบันโนนคนอยู่ตำป่าดงศา ส, สนาไม่มีเขาพากันถือหาถือผีกลัวนักครั้นตัวโกรธใครก็เรียกหามาช่วยเล่นงานแต่สมัยนี้เราไม่ได้กลัวหากันสักนิดคนเสียอีกที่น่ากลัวยิ่งกว่าหาเป็นไหนๆและที่เอาสัตว์ป่ามาด่ากันก็เหมือนกันสมัยที่คนอยู่ในป่าคลุกคลีอยู่กับสัตว์เช่นเฮี้ย กวดกเเป็นต้นครั้นจะด่าคนด้วยกันให้เจ็บก็ว่าเขาเป็นเฮี้ยซึ่งทั้งคนด่าทั้งคนถูกด่าเคยรู้เคยเห็นเฮี้ยมาด้วยกันสมัยนี้เฮี้ยหายากและคนที่เคยเห็นเฮี้ยก็หายากเต็มทีแม้แต่คนที่ด่าเขาว่าเฮี้ยตัวเองก็ไม่เคยเห็นหลับหูหลับตาด่าไปอย่างนั้นเองไปคว้าเอาคำด่าที่ล้าสมัยตั้งนานแล้วมาใช้ แต่หลงชมตัวเองว่าเป็นคนทันสมัยแล้วก็ไปปรักปรมคนที่สำรวมวาจาว่าเป็นคนไม่ทันสมัยพิลึกไหมเพื่อความแน่นอนอีกชั้นหนึ่งในข้อที่ว่าธรรมะทางาศาสนาไม่ได้ทำให้คนล้าสมัยโปรโดพิจารณาแผนการศึกษาอบรมของาศาสนาดูบ้างทางาศาสนาได้วางหลักศึกษาอบรมไว้สามหลักคือเรียกว่าไตรสิกขาคือ หลักศีลมุ่งให้คนมีกิริยามารยาสุภาพเรียบร้อยหลักสมาธิมุ่งให้คนมีจิตใจหนักแน่นหลักปัญญามุ่งให้คนฉลาดในเหตุผลดูสิว่าในสมัยหลังนี้หลักไหนทำให้คนคลืล้าสมัยคนสุภาพเรียบร้อยจิตใจหนักแน่นแล้วก็ฉลาดในเหตุผลอย่างนี้เป็นคนล้าสมัยหรือ ถ้าอย่างนี้ล้าสมัยแล้วแล้วอย่างไหนที่ทันสมัยต้องเกะกะระรานใครต่อใครอยู่เรื่อยเมื่อวานนี้ตีหัวหมาวันนี้ปาหัวคนพรุ่งนี้เข้าห้องขังนี่ใช่ไหมคนทันสมัยแต่ถ้าคนจิตใจหนักแน่นล้าสมัยเสียแล้วคนทันสมัยจะรูปไหนต้องใจฟุ้งอยู่ทุกวันพอรักใครก็รักเอารักเอา เสร็จแล้วก็เกลียดเอาเกลียดเอาสองวันอย่ารางสามวันกินอย่าตายนี่หรือท่านสมัยท่านสมัยในเรื่องสติปัญญาก็เหมือนกันาศาสนามุ่งอบรมคนให้ฉลาดแต่ความฉลาดของนักธรรมนั้นเป็นการฉลาดใช้เหตุผลไม่ใช่ฉลาดเห็นแก่ตัวที่เรียกว่าฉลาดแก่มโกงจะให้แน่อีกทีว่า ธรรมะทางศาสนานิยมคนครื้นละสมัยหรือไม่โปรดพิจารณาดูลักษณะของคนที่ศาสนารับรองว่าเป็นคนดีซึ่งเรียกว่าสัตบุุษมีดังนี้ 1. ธรรมันยูรู้เหตุการณ์ 2. องอัตัญยูรู้ผลได้ผลเสีย 3. อัตตัญยูรู้จักฐานะของตนเอง 4. มัตตัญยู รู้จักพอเหมาะพอดี 5. การันยูรู้จักการเวลา 6. ปริสัญยูรู้จักสังคม 7. ปุคละประโรปา ร, รันยูรู้จักเลือกคนคนที่ศาสนารับรองว่าเป็นคนดีต้องมีลักษณะทั้ง7นี้ประจำตัวจะอธิบายตอนหลัง ที่ยกมานี้เพียงเสนอให้ท่านนักศึกษาพิจารณาหากจำเป็นจะต้องหักล้างความคิดความเห็นของผู้ที่ยังเข้าใจผิดจะได้หยิบใช้ถูกให้เขาวิจารณ์เอาเองว่าลักษณะข้อไหนใน7ข้อนี้ที่ล้าสมัยหรือเป็นคนคลึ้อธรรมะนั้นนอกจากจะไม่ได้ทำให้คนล้าสมัยตามคำกล่าวหาแล้วยังได้ช่วยทาสิ่งที่จะล้าสมัยให้ทันสมัยขึ้นอีกด้วยดูแต่ศิลปะ ศิลปะใดก็ตามที่อยู่ข้างโลกล้ว น, วนเช่นทรงบ้านทรงอาคารช่างต้องเปลี่ยนแบบกันไม่หยุดเพราะล้าสมัยเร็วแม้แต่ชั่วชีวิตของเราของเรานี้ก็ดูเถอะอาคารบ้านเรือนเมื่อก่อนนิยมทรงไทยทรงไทยแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นทรงมณิลาทรงปัญญ้นหยาเสร็จแล้วก็ออกมาฮือหลังคาตัดพักหนึ่งเดี๋ยวนี้ หลังคาบ้านต้องแบนเกือบจะราบกระเบื้องแตกนิดเดียวฝนก็รั่วฝ่ายอาคารที่ทำการรัฐบาลวกไปนิยมทรงไทยอีกแล้วโลกลว้ลวนจืดง่ายลองดูศิลปะที่อิงธรรมะหรืออิงศาสนาบ้างเช่นทรงโบสถ์ทรงเจดีร้อยปีก็ไม่เห็นมีใครบ่นว่าจืดเครื่องแต่งกายที่อยู่ข้างโลกล้วนก็เหมือนกันคือกันไม่กี่วันเลยล้าสมัยเสียแล้ว ชั่วชีวิตเราๆนี้ก็หลายแบบมาแล้วนุ่งผ้าม่วงสรงกางเกงแพรกางเกงหลังสากลหลายขบวนนักแล้วแม้ในชุดสากลนั่นเองยังมีหลายแบบตั้งแต่แบบหลุหลม่มๆจนกระทั่งแบบนั่งไม่ลงที่เรียกว่าทรงจิ้งเหลนหรือทรงทรมานฝ่ายสตรีก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกันเห็นจะพอๆกับฝ่ายบุรุษ ปัจจุบันก็ดูเหมือนนิยมกางเกงแบบนั่งไม่ลงกันปรับปรายแล้วนี่แหละโลกล้าสมัยง่ายได้แท้เสื้อผ้าซื้อไว้แล้วเผลอพลับเดียวเลยล้าสมัยดูเครื่องแต่งตัวของพระดูบ้างแต่ละชิ้นของท่านออกแบบมาตั้ง 2,500 ปีแล้วเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังใช้ไม่มีใครบ่นว่าล้าสมัยสักคนเดียวเห็นท่านทันสมัยอยู่เรื่อย ถึงเพลงขับเจอความเรียงต่างๆก็เหมือนกันบทประพันธ์ของโลกคือกันชั่วเดียวๆแล้วก็เบื่อกลายเป็นของล้าสมัยแต่บทสวดของพระสีคขาบทเก่าทำนองเก่าร้อยปีก็มีคนนิยมทั้งร้อยปีเพราะเป็นบทประพันธ์ที่อิงธรรมะแม้แต่ตัวคนเรานี้คนที่โลกล้วนคิดว่ารูปโฉมเป็นความดีเด่นของตน ไม่ขวนขวายหาธรรมะใส่ตัวไว้บ้างพออายุมากเข้าหมดทั้งเนื้อทั้งตัวของเขาจะล้าสมัยอย่างสิ้นเชิงไม่มีอะไรแล้วที่จะทันสมัยเป็นสเสน่ห์ชีวิตแต่คนมีธรรมะเอาตัวเองธรรมะไว้ธรรมะจะช่วยได้อย่างดีที่สุดร่างกายล้าสมัยแต่เขามีสิ่งหนึ่งที่เป็นของไม่ล้าสมัยคือธรรมะทดแทนในพวกคนแก่กับคนแก่ด้วยกัน เราจะเห็นว่าคนแก่ไม่มีธรรมะหมดเสน่ห์หมดสิ่งน่ารักใบหน้าบ่งชัดว่าเป็นคนเจ้าทุกข์ส่วนคนแก่ที่ตั้งอยู่ในศีลธรรมจะมีแววแห่งความเปล่งปลั่งอยู่บนใบหน้าที่ชรามีเสน่ห์น้านิยมทดแทนความสวยที่สิ้นไปและสำเนียงเสียงที่เคยหวานระรื่นที่ท่านเคยมีเมื่อ ย, ยังหนุ่มสาวแม้ว่ามันจะหายไปเมื่อยามแก่ แต่น้ำคำอันเจื้อด้วยธรรมะเป็นคำจริงคำสุภาพและคำประคนด้วยน้ําใจอันเมตตากราุณาจะเรียกร้องความเคารพรักจากคนทั้งหลายไม่มีวันจืดจางท่านนักศึกษาเห็นแล้วไม่ใช่หรือธรรมะไม่ได้ทำให้เราเสียตรงกันข้ามธรรมะกลับเป็นคุณชาติที่พยุงตัวเราให้ดีขึ้นโดยซ้าประวัติศาสตร์ยืนยันให้เรารู้ว่า มนุษย์เรานี้ตั้งแต่ดั้งเดิมจริงๆอยู่ตามป่ามีนิสัยใจคอก็เป็นชาวป่าแต่ได้ค่อยๆพัฒนาการมาตามลำดับบ่ายหน้าสู่อรยะธรรมสูงขึ้นประนีตขึ้นใครก็ตามในเมื่อชาวโลกเขามีศีลธรรมวัฒนธรรมกันแล้วไม่ทิ้งนิสัยใจคอของตนเองกลับหันหลังให้ศีลธรรมและววัฒนธรรมแสดงนิสัยจิตใจไร้ธรรมะต่อเพื่อนมนุษย์ ผู้นั้นแหละคือคนคลื้อแท้